สามสิบยังมีคําถามคําถามหนึ่งมาถามมอมทาไมคนเราต้องตามหาความสุขในเมื่ออยู่ไปวันวันมันก็ดีอยู่แล้วแล้วคําถามนี้เนี่ยจริงมันก็น่าคิดนะหมอนในง่ายหนึ่งเนี่ยผู้ที่ถามนี้ก็ จ, จะมีความสงสัยว่าความสุขเนี่ยมันมีความสําคัญ เพียงใดมันมีความสําคัญขณะที่เราต้องตามหามันเชื่อหรือที่จริงคนที่ถามเนี่ยนะที่เขาบอกว่าเนี่ยอยู่ไปวันวันมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีความสุขอยู่แล้วนะในขณะที่เขาพูดหรือในะครที่เขามีความสงสัยเนี่ยเพราะคนที่จะบอกว่าอยู่ไปวันวันได้เนี่ยมันก็หมายความว่าชีวิตเนี่ยไม่ต้องดิ้นรน เกเสือกกสนในการหาอยู่หากินไม่ต้องดิ้นรนกระเกือกกสนเพื่อหาปัจจัยสี่มาประทังชีวิตแค่นี้เนี่ยนะมันก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องทุกข์ไปกับการกระเกือกกสนในการทำมาหากินอาว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่ไป ว, ว, วันนะ แต่ต้องดิ้นรนในการหาอยู่หากินในการหาที่อยู่อาศัยเนีย่ยเขาจะตระหนักเลยว่าเนี่ยไอ้ที่อยู่ไปวันวังหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นความสุขชนิดหนึ่งนะโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวก็บอกเขาไปว่าเนี่ยการที่เขาอยู่ไปวันวันเนี่ยหรือมีความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสุขเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งด้วยเพราะถ้ามีความสุขเป็นองค์ประกอบเนี่ยเจะแย่อย่งกันนี้เช่นเจ็บปว่วยโดยโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าต้องประสบกับความยากไร้ในการทำมาหากินบ่อยครั้งเนี่ย เราไม่ได้ตระหนักเลยนะว่าไอ้ที่เราอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้วิเศษอะไรมากเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามีความสุขเจืออยู่ในชีวิตของเราแต่เราไม่รู้ตัวมัน ค, คล้ายๆกับน้ำมะเขือเทศนะที่เขาบรรจุ ก, กล่องเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยนะเราก็รูสึกมันเปรี้ยวนะ แต่ที่จริงเนี่ยมันมีน้ำตาลผสมอยู่ในนั้นด้ว ย, ยดูฉลากข้างกล่องก็จะพบว่ามันมีน้ำตาลอยู่6กรัมในหนึ่งกล่องถ้ามีมีน้ำตาลอยู่ในนั้นเนี่ยนะมันจะเปรี้ยวยิ่งกันนี้หลายคนที่ที่รู้สึกว่าเนี่ยอยู่ไปวันวันหนึ่งเนี่ยนะเขา ไม่รู้หรอกนะว่าหรือหาได้ตะหนัะไม่ว่าเนี่ยมันมีความสุขนะเจือปนอยู่ในชีวิตของเขาถ้าไม่มีความสุขนั่นเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้เลยนะว่ามันทุกข์ยากลําบากมากเหมือนกับไอ้น้ํามะเขือเทศเนี่ยถ้าเขาไม่เติมน้ําตาลงไปมันจะเปรี้ยวยิ่งกันน่นี้เดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่ง นมเปรี้ยวเนี่ยที่เรากินแล้วรู้สึกมันเปรี้ยวเนี่ยที่จริงก็เาก็เติมน้ำตาลลงไปถ้าไม่มีน้ำตาลเลยเนี่ยจะเปรี้ยวอย่างกันนี้ชี่อคนเราเนี่ยมันจะทุกข์มากกว่า น, นี้เราจะรู้สึกว่าทุกข์มากกว่า น, นี้ถ้าเราไม่มีความสุขเป็นองค์ประกอบเพียงแต่เราไม่ตะหนักความสุขที่ว่าจะเป็นความสุขที่ ยางกินอิ่มนอนอุ่นเป็นความสุขที่มีบ้านเรือนคุ้มหัวยังมีสวัสดิภาพไม่ต้องหนีภัยสงครามหรือว่าไม่ต้องคอยระบาดระวังคนที่จะมาทำร้ายรวมถึงความสุขจากการที่มีสุขภาพดีแม้ถึนคนที่รู้สึกเบื่อชีวิตเนี่ยนะ ที่ลูกศิษมันก็ว่าเนี่ยช่วยมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกข์ล้นวนเนี่ยมันมีความสุขเจือปนอยู่ด้วยถ้าไม่มีความสุขเจือปนอยู่เล ย, เยมันจะทุกข์หนักกว่านี้เยอะเะนี่เขาต้องขอบคุณความสุขนะมันไม่ใช่ไม่สําคัญและยิ่งถ้าความสุขที่ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเนี่มันเพิ่มพูนมากมากมายกว่านี้เนี่ยก็จะรู้สึกแล้วมันไม่ใช่แค่มีชี่ิตอยู่แป๊นวันๆก็จะรู้สึกมีพลังในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเรียกว่ามีชีวิตชีวาคนที่มีความสุขในชีวิตเนี่ยเขาจะมีชีวิตชีวาแล้วก็ตามที่เขา พูดมาว่าเนี่ยหรือถา ม, มาว่าเนี่ยคนเราทำไมต้องตามหาความสุขเนี่ยมอนง่หนึงก็อาจเป็นเพราะว่าก็รู้สึกเหนื่อยนะกับการตามหาความสุขที่จริงความสุขนี่มันไม่ต้องตามหาก็ได้นะแต่ว่าคนเรามักจะรู้จักแต่ความสุขชนิดเดียวนะ คือความสุขที่เกิดจากการเสพหรือความสุขที่เกิดจากการกินดื่มเที่ยวเล่นช็อปไอความสุขแบบนี้เนี่ยมันต้องมันต้องตามนะตามหาหาที่ดื่มที่อร่อยหาที่กินที่ถูกปากหาที่เที่ยวหาที่ช้อปไม่แค่หาว่าที่ไหนที่ มีอาหารอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวที่ถูกปากเนี่ยหรือว่าข้าวหมูแดงนะีที่อร่อยเนี่ยแค่จะหาร้านอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะเดี๋ยวนี้ตัวเลือกมันเยอะมากและแต่ละร้านก็อ้างว่าชันของชั้นอร่อยของชั้นอร่อยนะคนที่คอยตามหาร้านที่อร่อยนี่บางทีก็เหนื่อยนะเพราะมันมีหลายร้านมากเลย แล้วกว็จะไปถึงแต่ละร้านนี่ก็ต้องฟันฝ่าจราจรหรือบางทีก็ต้องเข้าคิวคอยเดี๋ยวพอจะไปตามหาความสุขที่ร้านเจฟไฟเนี่ยโอ้โหมันต้องเข้าคิวกันทีเดียวเลยยังไม่รับราคาที่แพงนะจานละห้ารอยจานละพันก็ต้องเหนือการหาเงินไอความสุขเช่นนี้เนี่ยมัน มันต้องตามต้องไล่ต้องหานะและแน่นอนมันก็เหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยกับการหาร้านที่ถูกใจนะแต่ต้องเหนื่อยกับการหาเงินเพื่อได้มีกำลังนะมีปัญญาไปกินดื่มเที่ยวเล่นชอบตามที่ต่างๆที่ถูกใจด้วยแต่ความสุขเนี่ยมันที่ไม่ต้องตามล่ามก็มีนะ คนเราถ้ารู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากการเสพหรือความสุขที่เกิดจากกินดื่มเที่ยวเล่นเนี่ยสุดท้ายก็ลงเอยด้วยความเหนื่อยนะแล้วก็เกิดความเบื่อหรือความผิดหวังเพราะว่าได้เสพเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอสักทีไม่รู้จักอิ่มสักทีทําไมต้องวิ่งไล่ล่าตามหาเรื่อยไป ความสุขเนี่ยเขบอกนะความสุขเนี่ยมาเปรียบได้เหมือนกับผีเสื้อนะบางคนีอยากได้ผีเสื้อก็ต้องไปตามจับผีเสื้อซึ่งทําให้เหนื่อยเพราะว่าผีเสื้อมันก็พยายามหนีหรือจะบินฉวัดฉวียนจะไปตามหาผีเสื้อเหนื่อย แต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นกนะ็คือว่าเพียงแต่ปลูกต้นไม้เพียงแต่ปลูกไม้ดอกในหน้าบ้านหรือบอริเวณบ้านผีเสื้อก็จะมาเองมาเองโดยที่ไม่ต้องไล่ล่าความสูงนี้มันก็สามารถจะพั่งพรูสู่ใจเราได้นะนโดยที่เราไม่ต้องไปตามล่า แต่ความสุขชนิดนี้มันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการกินดืม่มเที่ยวเล่นหรือเสพหรือชอบแต่มันเป็นความสุขที่เกิดจากการที่ทําความดีนะทำจิตใจให้เจริญ ง, งอกงามคนที่ทําดีนะทำจิตให้งอกงามงดงามเนี่ยนะแม้แมต์ปรารถนาความสุข แต่ความสุขมันก็จะมาเองความสุขชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะมาช้าเพราะว่ากว่าดอกไม้จะบานกว่าผีเสื้อจะรู้เนี่ยก็ใช้เวลาเมื่อเหมาการเข้าไปในปา่าตามจัดผีเสื้อเลยเนี่ยมันเร็วแต่มันเหนื่อย ถ้าความสุขที่ได้มาเร็วเนี่ยมันก็ไปเร็วเหมือนกันการที่ความสุขที่ได้มาช้าแต่ว่ามันก็ยั่งยืนกว่าแล้วมันทำให้ชีวิตเนี่ยนะมีเรียกว่าชีวามีชีวิตชีวามากขึ้นไม่เบื่อง่ายๆปัญหาคือว่า คนที่ถามคำถามนี้เนี่ยว่าทำไมต้องตามหาความสุขเนี่ยจริงๆมันก็เป็นคำถามที่ที่น่าคิดนะเพราะจริงๆแล้วความสุขมันไม่ต้องตามหาก็ได้แต่ที่เขาถามคำถามนี้เพราะเขารู้สึกเหนื่อยนะกับการตามหาความสุขเพราะเขารู้จักแต่ความสุขชนิดเดียว ไ, ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ ได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่าเติมเต็มก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันอยู่ไปวันวันคนที่บอกว่าชีวิตยอยู่ไปวันวันี่เขาไม่ใช่ว่าเา้าไม่มีเงินเที่ยวไม่มีเงินไปกินดื่มเล่นนะเขามีถือแม่จะไม่ถึงกับร่ำรวยแต่ก็ไม่แน่บางคนก็มีมากร่ำรวยมากนะแต่ว่า หลังจากตามหาความสุขและได้ความสุขมามากมายแต่มันก็ไม่รู้สึกสมอยากหรือว่าพอใจสักทีในสุกก็รู้สึกเบื่อนายแล้วก็รู้สึกมันก็ว่าชีวิตนี้แค่อยู่ไปวันวันในทานตรงข้ามความสุขที่เกิดจากการที่ได้ทำความดีทำจิตให้งดงามเนี่ยนอกจากมันไม่ต้องเหนื่อยกับการไล่ล่า แล้วเนี่ยนะมันยังทำให้รู้สึกเติมเต็มชีวิตรัการเติมเต็มหรือมีชีวิตชีวาในการในการอยู่ในการมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้มีเพียงคนหนึ่งอาอยุก็กใกล้ๆกับคนแรกที่กล่าวถึงเนี่ยยี่สิบต้ น, ตน เธอเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นโรคอะไรอาจจะเป็นมะเร็งหรือไม่ใช่ก็ได้แล้วเธอก็รู้สึกหมดหวังกับชีวิตเพราะว่ามันเหมือนก็เช่นมันไม่มีอนาคตแล้วจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้รู้สึกหดผหูหอเชียวและจิตก็เลยดำดิ่งอยู่ในความ ทุกในความห่อเหี่ยวจนถึงจุดหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าหรือมีความคิดขึ้นมาว่าอยู่โลกนี้ทำไมไม่รู้ว่าจะอยู่โลกนี้ไปทำไมรู้สึกว่าไม่มีจุดหมาย ในการใช้ชีวิตแต่ใช้ชีวิตนี้ไปเพื่ออะไรจึกว่างเปล่าพูงง่ายคือไม่รู้จะอยู่ไปทำไมคนที่คิดแบบนี้เนี่ยพอจิตมันดิ่งลงไปมากๆเข้าเนี่ยมันก็อยากตายแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมีคนชวนเข้าไปเป็น จิตอาสาให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งคือสถาบันประสาทนีมันโรงพยาบาลนี้ก็มีคนป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยจากต่างจังหวัดนี่มากวันหนึ่งก็เป็นร้อยเจ้าหน้าที่ก็ไม่พอในการที่จะอำนวยความสะดวก ก็เลยรับจิตอาสาเรียกจิตอาสาอำนวยความสะดวกแนะนำญาติแนะนำผู้ป่วยว่าจะต้องไปเข้าที่ช่องนี้จากช่องนี้แล้วจะไปไหนต่อยิงวันนี้เนี่ยพอได้ไปจิตอาสาหยุดพักหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยนะ แต่ก่อนเนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายในในการดําเนินชีวิตเลยตื่นมาก็มันก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแต่พอเป็นจิตอาสาเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเขารู้สึกมีจุดหมายนะจุดหมายในการใช้ชีวิตก็คือไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือ คนที่เข า, าทุกข์ยากพอทำอย่างนี้เข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็รู้สึกว่าชีตมันมีชีวิตชีวามากขึ้นรู้ว่าในน้อยๆเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ตัวเองจะได้ทำประโยชน์อีกวันหนึง่ง แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้ไอ้การชุบช่วยของตัวเองมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างน้อยก็วันนี้เนี่ยมันช่วยทำให้ใจเนี่ยไม่ดำดิ่งลงไปจนกระทั่งคิดอะไรที่มันเกินเลยคำว่าเกินเลยที่เธอพูดนี่คงหมายถึงการคิดฆ่าตัวตายไอการที่คนเราเนี่ย มีจุดหมายในชีวิตนี่มันเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วถ้าเป็นจุดหมายที่ดีงามนะเช่นการช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนนะหรือการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเนี่ยมันก็ทำให้มีความสุขโดยไม่รู้ตัว แต่ความเป็งคนนี้เนี่ยนะมีความทุกข์เพราะว่าไม่ใช่ทุกข์เพราะความเจ็บป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายนะอันนั้นมันแค่ทุกข์กายแต่ว่าความทุกข์ใจของเธอเคือว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็คือไม่มีจุดหมายในการดาเนินชีวิตตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกทรมานมากเพราะไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไร แต่พอได้เป็นจิตอาสาเนี่ยชุดมันมีเป้าหมายนะวันนี้ฉันจะไปช่วยคนที่เขามาโรงพยาบาลมันเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้สูงส่งอะไรเลย น, นะไม่ใช่เพื่อนิพพานไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ใช่เพื่อทาให้คนนับล้านหายหิวพ้นจากความยากจนก็แค่เป็นจิตอาสา ให้กับผู้ป่วยจากต่างจังหวัดมันไม่ได้เป็นจุดหมายที่สูงส่งอะไรมากแต่มันก็เป็นจุดหมายที่ดีงามซึ่งก็ทำให้เธอเนี่ยมีความสุขขึ้นมาแต่ในหน้าก็ช่วยชุดแม่เธอเนี่ยปล่อยใจลงดำดิ่งอยู่ในความทุกข์จนถึงจุดนึงก็ไม่รู้ว่าจะ จนนถึงจุดที่ถ้าสุดจะทนทานเมื่อไหร่ก็คงจะทำร้ายตัวเองเมื่อ น, นั้นให้การที่คนเรามีจุดหมายที่ดีงามแล้วก็ลงมือทำมันก็เปรียบเหมือนการปลูกดอกไม้ไว้ที่ในบริเวณบ้านนะไม่ช้าไม่นานเนะี่ยผีเสื้อก็จะมาโดยที่ไม่ต้องไปตามหาไล่ล่า มีพี่คนหนึ่งก็เธอก็ไม่ได้ป่วยอะไรนะแต่ว่าความรู้สึก ค, คล้ายๆกันเธอบอกว่าเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่โลกนี้จะอยู่โลกนี้ไปทำไมเพราะไม่มีอะไรที่อยากทำและไม่เห็นสิ่งใดที่สำคัญเลยพวกนันคือเคว้ง รู้สึกว่างเปล่าคล้ายกับผู้หญิงคนที่สองเคยช่วยมันไม่มีจุดหมายพอเพราะเป็นอะไรที่สาคัญไม่มีอะไรที่อยากทกําันก็มือกับชิตที่ไร้เป้าหมายไม่มีจุดหมายของการมีชีวิตยอยู่แล้วพอจมอยู่ในความรู้สึกแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอรอดวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ไหวเลย ทุกข์มากแล้วก็เริ่มหาเริ่มหาเชือกเริ่มมองหาเชือกเริ่มมองหาอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรนะอุปกรณ์ในการที่จะทำร้ายตัวเองแต่ขณะที่กาลังจมอยู่ในความทุกข์อยู่ในความคิดแบบนี้เนี่ยก็มี เสียงหนึ่งผุดขึ้นมาในใจว่าเนี่ยนี่เธอทำอะไรอยู่เนี่ยเธอรู้ไามว่าเธอเป็นคนที่มีคุณค่านะสามารถที่จะช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนได้เธอมีมือมีไม้มีสติปัญญาสามารถช่วย คนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนแล้วเธอจะข่าตัวตายไปทำไมพอพอคิดเช่นนี้่ยมันได้สติเลยนะแล้วก็มาได้คิดว่าเออชีวิตที่ของฉันมันก็มียังมีคุณค่านะฉันไม่เจ็บไม่ป่วยฉันมีแขนมีขามีสติปัญญามีคนจานวงมากมาที่รอคอย ความช่วยเหลือจากชั้นอยู่มันไมให้เธอเนี่ยเปลี่ยนใจเลยนะไม่คิดฆ่าตัวตายแล้วก็ออกไปทำอะไรเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแม้จะไม่ได้มากมายอะไรเธอบอกว่าเนี่ยไอการที่คิดถึงคนอื่นที่เขาเดือดร้อนละการ และการมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่าที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้เนี่ยมันช่วยฉุดให้เธอเนี่ยหลุดออกจากความทุกข์ออกจากความหดหู่หอเหี่ยวหรือสิ้นหวังมันทําให้เธอเนี่ยไม่คิดถึงแต่ความทุกข์ของตัวเองก็เลยบุกสู้ขอบคุณมากเนะขอบคุณคนที่ทุกทุกยากเดือดร้อน เพราะการที่คิดถึงคนเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้หนาเธอเนี่ยเลิกที่จะทําร้ายตัวเองหรือเลิกที่จะจมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองเมื่อคนเราเนี่ยถ้าว่าคิดถึงแต่ตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะจมอยู่ในความทุกข์ได้ง่ายแต่พอเราคิดถึงคนอื่นในด้านหนึ่งก็ปลุกนะเมตตากรุณาให้ จะเลงงอกงามในใจเราและแม่ตากรุณามันก็เป็นกุศลธรรมที่สามารถจะปลูกให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวามีความสุขได้ในอกด้านหนึ่งก็ทำให้ชีวิตนี้มีจุดหมายพี่ยังสองคนเนี่ยสองคนหลังเนี่ยเขาเขาหลุดจากความทุกข์นะก็เพราะการที่ได้นึกถึงสิ่งที่ มีประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็ได้ลงมือทาด้วยสิ่งที่คิดและสิ่งที่ทำก็ล้วนไเป็นสิ่งดีๆก็เปลี่ยวเหมือนกับดอกไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านมันก็จะเชิญชวนผีเสื้อให้มาหาได้เระความสุขเนี่ยมันไม่ต้องตามหาก็ได้ ความสุขมันจะพรั้งพรูสู่ใจเรานะถ้าว่าเราได้คิดดีทดําดีหรือว่าทําใจใงอกงามแต่บางคนคิดดีแต่ว่ามันไม่อยากจะทำอะอย่างที่คิดนะเพราะว่าไอ้ความเกลียดคร้านหรือว่าความเบื่อหน่ายเนี่ยความเฉ่ยเนือยมันยังมีกําลัง แต่เมื่อใดก็ตามที่เอาชนะความเกียดคร้านเอาชนะความเบื่อหน่ายเฉยเนื่อยได้เนี่ยเมื่อคนที่รู้ว่าปลูกต้นไม้อะมันดีนะปลูกไม้ดอกนี่ดีนะมันจะทำให้ผีเสื้อนี่มาที่บ้านเราแต่รู้ว่าดีแต่ไม่ทำนะเพราะว่าไม่มีเรื่องไม่มีแรงหรือเบือ่อเสงคนที่จิตใจห่อเหี่ยวจมอยู่ในความทุกข์ก็ ก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละซึ่งก็ได้เห็นใจนะแต่ถ้าเขาพยายามที่จ ะ, จะลุกขึ้นมาปลูกต้นไม้ปลูกไม้ดอกแล้วก็รดน้ําไม่นานนะผีเสื้อก็จะมาคนที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทไําไมหรือไม่มีจุดหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยทั้งเมื่อรู้ว่ามันต้องหาจุดหมายกับชีวิตแต่ว่าถ้าไม่ลงมือทํานะมันก็จมอยู่ในความห่อเหี่ยวแล้วก็ดําดู่ในความทุกข์ สุดท้ายก็อาจจะทำอะไรในสิ่งที่เกิดเลยไปได้แต่ไมื่อเราตามที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆทำช่วยให้มีคุณค่าสร้างเปลี่ยวให้กับผู้อื่นส่วนรวมเนี่ยในความรู้สึกมีชื่อชีวางก็จะเกิดขึ้นทันทีแล้วก็จะไม่มีคำถามว่าอยู่ไปทำไมเพราะพบคำตอบแล้ว